45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธพ์สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกคนมหาสังฆปรินายกอันหนึ่งมีความเข้าใจเลื่อนไปถึงสัญญา สัญญาก็ได้แก่ความจาหมายคือความจําได้หมายรู้ต่างๆมีมากด้วยกันจึงเรียกว่าสัญญาขันแปลว่ากองสัญญาหรือว่าหมวดสัญญาเห็นว่าลำพังแต่กินสุขกินทุกข์กินแล้วก็ลืมจำอะไรไว้ไม่ได้ก็ไม่ยั่งยืนอะไรความยั่งยืนมาอยู่ที่ความจาได้หมายรู้ฉะนั้นสัญญาคือความจําได้ หมายรู้จึงเป็นอัตราตัวตนอันหนึ่งมีความคิดเลื่อนไปอีกว่าสังขารคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดเป็นอัตราคือตัวตนเพราะลำพังสัญญาคือความจาได้หมายรู้นั้นก็สักแต่ว่าจำจำเท่านั้นถ้าจำแล้วไม่เอาไปคิดอ่านให้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรต่อไปก็ไม่ได้เรื่องในราวอะไรติดต่อกัน แต่การที่จะเป็นเรื่องเป็นราวอะไรติดต่อกันก็จะต้องมีความคิดปรุงหรือความปรุงคิดตัวความคิดปรุงหรือความปรุงคิดนี้จึงเป็นอัตราตัวตนและความคิดปรุงหรือความปรุงคิดนี้ก็มีมากจึงเรียกว่าสังขารขันกองสังขารหรือหมูดสังขารอันหนึ่งมีความคิดสื่บเข้าไปอีกว่า วิญญาณ น, นี่เป็นอัตราตัวตนวิญญาณ น, นี้หมายถึงใจหรือหมายถึงสิ่งที่จะไปเวียนเกิดก็มีหมายเพียงความรู้สึกเห็นรูปรู้สึกได้ยินเสียงในเวลาที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นก็มีฝ่ายที่มีความเห็นว่าวิญญาณเป็นอัตานั้นก็ด้วยมีความเข้าใจว่าวิญญาณก็คือใจที่เป็นไม่ตาย ล่องลอยไปไหนก็ไปได้เหมือนอย่างเราอยู่ในที่นี้แต่ว่าใจล่องลอยไปอยู่ที่โน้นที่นี้ไปไกลเท่าไหร่ก็ได้และไปได้อย่างรวดเร็วและถ้ายิ่งมีความเข้าใจว่าเมื่อตายไปแล้ววิญญาณเป็นตัวไปเกิดก็ยิ่งจะมีความเห็นกระชับลงไปว่านี่เองเป็นอัตราตัวตนและเป็นความเข้าใจของคนโดยมากก็เข้าใจดังนี้คือเมื่อเรียกว่าวิญญาณ ก็เข้าใจว่าได้แก่ใจที่ล่องลอยไปไหนได้หรือว่าเป็นตัวที่จะไปเกิดต่อไปในคนเราก็มีสิ่งทั้งห้านี้คือมีรูปได้แก่รูปกายหรือรูปขันกองรูปมีเวทนาขันกองเวทนามีสัญญาขันกองสัญญามีสังขารขันกองสังขารมีวิญญาณขันกองวิญญาณมีอยู่ด้วยกันทั้งห้า และที่เข้าใจกันว่าเป็นตัวเป็นตนก็เข้าใจกันอยู่ในสิ่งทั้งห้านี้ในเวลาที่สิ่งทั้งห้านี้ยังมีอยู่บริบูรณ์ก็เข้าใจว่ามีตัวตวนบริบูรณ์ถ้าพิการก็เข้าใจว่าอัตตาพิการเช่นถ้ารูปขันพิการเสียอย่างเช่นตาบอดหูหนวกจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รสกลายเป็นอัมพาตก็หมดเรื่องกันเท่านั้น ถ้ายิ่งสลบสลายไปด้วยเสียอีกก็ยิ่งไม่รู้อะไรฉะนั้นเพียงแต่รูปขันอย่างเดียวเท่านั้นก็เป็นข้อสำคัญเมื่อยังมีอยู่บริบูรณ์ทุกๆกคนจึงยังมีความรู้สึกอะไรต่อมีอะไรคิดอะไรต่อมีอะไรอยู่ได้อีกสอย่างนั้นก็เหมือนกันเพราะมีเวทนาอยู่จึงมีความสุขทุกหรือไม่สุขไม่ทุกอะไรต่างๆมีสัญญาอยู่จึงมีความจาได้หมายรู้ มีสังขารอยู่จึงมีความคิดปรุงหรือปรุงคิดไปได้มีวิญญาณอยู่จึงมีความรู้สึกต่างๆถ้าอาการเหล่านี้เสียไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นความบกพร่องถ้าขาดไปเสียทั้งหมดก็เลยเป็นผู้มีความไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะฉะนั้นที่บุคคลยังมีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนอยู่มีชีวะอยู่อย่างบริบูรณ์ก็พร้อมมีอาการทั้ง5นี้ประกอบกันอยู่สมบูรณ์ และเป็นไปโดยสะดวกไม่ขัดข้องฉะนั้นจึงยึดถือเอาอาการทั้งห้าเหล่านี้นี้เองว่าเป็นอัตราตัวตนถ้าหากว่าสิ้นอาการทั้งห้าเหล่านี้ก็ไม่มีอะไรให้ยึดถือและไม่มีอะไรที่จะให้มีความคิดในการที่จะให้ยึดถือในสมัยพุทธกาลหรือสมัยไหนๆก็คงเป็นเช่นนี้ในปัจจุบันก็เป็นเช่นนี้และพระปัญจวคีนั้น ก็ย่อมมีความยึดถืออยู่เช่นนี้อย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นเมื่อฟังธรรมจักท่านพระอัญญาโกณทัญญะจึงได้ดวงตาเห็นธรรมเพียงรูปเดียวเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอบรมมีจึงได้ดวงตาเห็นธรรมจนครบทั้งห้ารูปแต่ก็ได้เพียงดวงตาเห็นธรรมเท่ากับว่าเห็นทุกขัสสะความจริงคือทุกขึ้นเท่านั้นพระพุทธเจ้า จึงได้ทรงแสดงพระสูตรที่สองชี้ลักษณะของอาการทั้ง5เหล่านี้ว่าเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนโดยชัดเจนอธิบายเบญจขันธ์ได้เล่าถึงเรื่องพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอนัตตลัคณาสูตรได้ยอกความของพระสูตรนั้นและได้อธิบายเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าแต่ละอย่าง มีลักษณะอย่างไรจึงขอสรุปความในตอนนั้นว่าสิ่งทั้งห้าเหล่านั้นแต่และสิ่งมีมากด้วยกันฉะนั้นจึงเรียกว่าขันที่แปลว่ากองหรือหมู่มวดคือเรียกว่ารูปขันกองรูปเวทนาขันกองเวทนาสัญญาขันกองสัญญาสังขารขันกองสังขารวิญญาณขันกองวิญญาณ รวมเรียกว่าปัญจขัน์แปลว่ากองทั้งห้าหรือเรียกเป็นไทยว่าเบญจขันต์คำนี้จะได้พบในหนังสือทางพระพุทธศาสนาหรือในเทศนาเป็นอันมากเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะกำหนดชื่อไว้และทำความเข้าใจทุกๆุกคนเมื่อกล่าวถึงอัตราตัวตนโดยปกติก็จะต้องมุ่งไปที่ปัญจขั น, น์นี้เพราะเว้นจากปัญจขัน์นี้แล้ว ก็ไม่มีสิ่งอะไรที่จะสมมุติบัญญัติว่าเป็นอัตราตัวตนฉะนั้นความเข้าใจว่าอะไรเป็นอัตราตัวตนจึงเข้าใจกันที่ปัญจขันธ์นี้และก็ยึดกันที่ปัญจขันธ์นี้ว่าเป็นอัตราตัวตนฉะนั้นจึงมีคำเรียกอีกคำหนึ่งว่าปัญจอุปทานขันธ์ปัญจก็แปลว่าหาอุปทานก็แปลว่าเป็นที่ยึดถือ ขันก็แปลว่าขันแปลรวมกันว่าขันที่ยึดถือห้าประการคือเป็นที่ยึดถือว่าเป็นอัตตาตัวตนดังกล่าวในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงยกเอาปัญจขันนี้ขึ้นชี้ว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเป็นการค้านการยึดถือของภิกษุปัญจวคีและของคนทั่วไปได้ทรงแสดงเหตุผลในข้อนี้ไว้ว่าถ้าปัญจขัน จะพึงเป็นอัตตาตัวตวนไซปัญจขันก็จะไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและใครๆก็จะพึงได้ในปัญจขันว่าขอให้เป็นอย่างนี้ขออย่าให้เป็นอย่างนั้นแต่เพราะเหตุที่ปัญจขันเป็นไปเพื่ออาพาธและใครๆก็ไม่ได้ในปัญจขันว่าขอให้ปัญจขันเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตน นี้เป็นเหตุผลที่ทรงชี้ในพระสูตรนี้คําว่าเป็นไปเพื่ออาพาธโดยทั่วไปหมายความว่าเป็นไปเพื่อความเจ็บไข้เพราะอาพาธใช้ในความหมายว่าเจ็บไข้แต่คําว่าอาพาธอาจอธิบายให้เห็นความหมายกว้างไปกว่านั้นคือคําว่าอาพาธแปลว่าเป็นที่ถูกเบียดเบียนเป็นที่ถูกทําลายให้หมดสิ้นเมื่อให้คําแปลอ ย, อย่างนี้ ก็อาจอธิบายให้กว้างออกไปอีกว่าปัญจขันธ์เมื่อเกิดขึ้นก็จะต้องถูกความแก่เบียดเบียนถูกพญาดคือความป่วยไข่เบียดเบียนตลอดจนถึงถูกความตายเบียดเบียนรวมความว่าเมื่อเกิดขึ้นมาก็ต้องมีแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจนถึงดับใ่ที่สุดฉะนั้นจึงต้องถูกความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงและถูกความดับเบียดเบียนทําลายล้างให้หมดสิ้น จะพึงเห็นได้ว่ารูปขันกองรูปก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้ก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยมาแต่อาศัยบุคคลบริโภคอาหารเข้าไปทำนุกมบำรุงคอยซ่อมส่วนที่สึกหรอยอยู่เสมอจึงรู้สึกมีความสืบต่อเรื่อยมาแม้แต่ในทางการแพทย์ปัจจุบันก็รับรองว่าแม้ส่วนที่แข็งที่สุดในร่างกายเช่นกระดูกก็เปลี่ยนไปอยู่กระดูก เมื่อเกิดกับกระดูกในบัดนี้ก็เป็นคนลส่วนแล้วส่วนที่อ่อนกว่านั้นเช่นเนื้อหนังก็ยิ่งเปลี่ยนไปได้เร็วฉะนั้นรูปขันก็มีความเกิดดับอยู่เรื่อยแต่อาศัยที่มีสันตติคือความสืบต่อเพราะชีวิตยังดำรงอยู่จึงยังเป็นมาได้เวทนาขันกองเวทนาปรากฏเกิดดับเห็นได้ชัดอย่างเช่นความสุขเกิดขึ้นแล้วหายไป ความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็หายไปความเป็นกลางๆเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเปลี่ยนกันไปอยู่เสมอสัญญาขนันกองสัญญาความจำหมายก็เกิดดับอยู่เสมอสังขารขนันกองสังขารคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดเป็นเรื่องต่างๆก็เกิดดับอยู่เสมอวิญญาณขนันกองวิญญาณก็เกิดดับอยู่เสมอคราวนี้ ควรจะทำความเข้าใจคำว่าวิญญาณได้เคยให้ความหมายทั่วัวไปแล้วว่าหมายถึงใจหมายถึงสภาพที่จะไปเกิดต่อไปหมายถึงความรู้สึกเห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้นที่หมายถึงใจหรือหมายถึงสภาพที่จะเวียนเกิดต่อไปนั้นเป็นความหมายที่เข้าใจกันอยู่ที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปแม้ในเรื่องทางพระพุทธศาสนาเองที่เป็นเรื่องเล่า เมื่อเล่าถึงสิ่งที่จะไปเวียนเกิดใช้คำว่าวิญญาณก็มีแต่ความหมายในปัญจขันธ์นี้ไม่ใช่ความหมายถึงสภาพเช่นนั้นแต่หมายถึงความรู้สึกเห็นรูปในเมื่อตากับรูปกระทบกันอันเรียกว่าจักขุวิญญาณความรู้สึกได้ยินเสียงในเวลาที่หูกับเสียงกระทบกันเรียกว่าโสวิญญาณความรู้สึกได้กลิ่นในเมื่อคานะกับกลิ่นกระทบกันเรียกว่า คานวิญญาณความรู้สึกในรถในเมื่อลิ้นกับรถกระทบกันเรียกว่าชิวหาวิญญาณความรู้สึกถูกต้องที่กายถูกต้องในเวลาที่กายกับสิ่งที่ถูกต้องกายกระทบกันเรียกว่ากายวิญญาณความรู้สึกในเรื่องที่มโ น, โนหรือมนะรู้ในเวลาที่มนกับเรื่องกระทบกันเรียกว่ามโนวิญญาณวิญญาณในปัญญานหมายถึงวิญญาณหก คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางอายตนะทั้งหดังกล่าวมาแล้วฉะนั้นความรู้สึกดังกล่าวนี้จึงมีมากเมื่อตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกเห็นรูปนี้ก็เป็นจักหูวิญญาณรั้นหูได้ยินเสียงก็เกิดความรู้สึกได้ยินเสียงขึ้นก็เป็นโสวิญญาณเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่มีหนึ่งแต่ว่ามีมากจึงเรียกว่าเป็นวิญญาณขันดังที่กล่าวมาแล้ว วิญญาณขันธ์ที่มีอธิบายอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดดับอยู่เสมอฉะนั้นปัญจขันธ์จึงเป็นไปเพื่ออาพาธคือต้องถูกเบียดเบียนคือต้องถูกทำลายล้างให้สิ้นไปด้วยอำนาจของความแก่เจ็บตายหรือว่าเกิดดับอยู่เสมอใครๆจะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้คือบังคับให้เป็นอย่างนี้อย่าให้เป็นอย่างนั้นก็บังคับไม่ได้อย่างเช่น รูปขันจะบังคับว่าจะต้องให้คงอยู่อย่างนั้นอย่าให้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้ดังที่จะพึงเห็นได้ว่าเมื่อเกิดขึ้นมาก็เปลี่ยนแปลงมาจนถึงที่สุดใครจะชอบใจในระยะไหนและปรารถนาจะให้คงอยู่ในระยะนั้นก็ปรารถนาไม่ได้กองเวทนาก็เหมือนกันก็ย่อมปรารถนาสุขแต่จะบังคับให้เป็นสุขอยู่เสมอไม่ได้ทุกข์ก็เหมือนกันเมื่อทุกข์เกิดขึ้น โดยปกติก็ไม่ชอบแต่ทุกนั้นก็ต้องถูกเบียดเบียนเหมือนกันคือว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องหายไปแล้วเกิดอย่างอื่นขึ้นแทนกองสัญญาก็เหมือนกันจะบังคับให้จำได้หมายรู้อยู่ตลอดไปก็ไม่ได้เหมือนกันกองสังขารคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดก็ไม่ได้เหมือนกันและกองวิญญาณคือความรู้สึกทางอายตนะดังกล่าวมานั้นก็เหมือนกัน บังคับให้เป็นไปตามความปรารถนาไม่ได้เพราะเหตุที่บังคับไม่ได้ดังกล่าวมานี้ปัญจขันต์ต้องเป็นไปเพื่ออาพาธต้องเป็นไปตามคติธรรมดาฉะนั้นจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนตามลักษณะที่เพิงเห็นว่าสิ่งที่จะเป็นอัตตาตัวตนนั้นก็ควรจะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปเพื่ออาพาธเป็นสิ่งที่บังคับให้เป็นไปตามปรารถนาได้ ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็ไม่ชื่อว่าอัตตาดังเช่นปัญจขันธ์ซึ่งเป็นที่ยึดถือว่าเป็นอัตตาเมื่อพิจารณาแล้วก็จะเพิงเห็นว่าไม่ใช่แต่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้การสอบครั้งแรกพระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ลักษณะว่าเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนอย่างไรแล้วต่อจากนั้น ก็ได้ตรัสถามความรู้ความเข้าใจของท่านทั้งห้านั้นว่าปัญจขันธ์เที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านทั้งห้ า, าก็กราบทูลตอบว่าไม่เที่ยงตรัสถามว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขท่านทั้งห้ า, าก็กราบทูลตอบว่าเป็นทุกข์ก็ตรัสถามว่าสิ่งใดเป็นทุกข์มีการแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่านี่เป็นของเรา เราเป็นหนี้นี่เป็นอัตราตัวตนของเราท่านทั้งห้านั้นก็กราบทูลว่าไม่ควรเห็นอย่างนั้นในตอนนี้เรียกว่าเป็นการสอบครั้งแรกในพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอบถามท่านปัญจวัคคีย์ถึงความรู้ความเห็นของท่านในเมื่อฝั่งเทศแล้วนับว่าเป็นการสอบไล่ครั้งแรกและในข้อสอบที่พระพุทธเจ้าในทรงตั้งขึ้นถามนี้ ก็เป็นอันตรถามในหลักของไตรลักษณ์ลักษณะเรื่องกําหนดหมายสามอย่างอันได้แก่อเิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนได้ทรงสแสดงลักษณะแห่งอนัตตาก่อนดังที่กล่าวมาแล้วจึงได้ตรัสสอบถามว่าปัญจขันธ์ที่กล่าวมาแล้วนั้นคือว่าที่เป็นไปเพื่ออาพาธและที่ใครๆ จะบังคับให้เป็นไปตามความปรารถนาไม่ได้นั้นเป็นนิจจังคือเป็นสิ่งเที่ยงหรือเป็นอนิจจังคือเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงท่านทั้งห้าก็กราบทูลตอบว่าเป็นอนิจจังคือเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเพราะว่าถ้าเป็นสิ่งที่เที่ยงแล้วจะต้องเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปเพื่ออาพาธและบังคับได้แต่นี่ไม่เป็นเช่นนั้นจึงเป็นอนิจจังคือสิ่งไม่เที่ยง และเมื่อไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ลักษณะที่ชื่อว่าเป็นทุกข์ในที่นี้ท่านก็กล่าวไว้เองว่าคือมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเพราะคําว่าทุกข์แปลว่าสิ่งที่ทนอยู่ยากหมายความว่าทนอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นลักษณะที่ชื่อว่าเป็นทุกข์นั้นก็คือลักษณะที่ทนอยู่ไม่ได้คืออย่างไรคือก็ต้องแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ความแปรปวนไปเป็นธรรมดานี้เรียกตามศัพท์ว่าวิปริชามธรรมนี้เป็นอีกคำหนึ่งที่จะต้องเห็นในหนังสือทางพระพุทธศาสนาหรือในทางเทศนาเป็นอันมากวิปริชามธรรมแปลว่าแปรปวนไปเป็นธรรมดาสิ่งที่เป็นอนิจจงคือไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์มีความแปรปวนไปเป็นธรรมดาก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเห็นว่า เอตังมะมะนี่เป็นของเราเอโสหมัสมิเราเป็นนี่เอโสเมอัตตานี่เป็นอัตตาคือตัวตนของเราเพราะฉะนั้นไตรลักษณ์นี้จึงเป็นสิ่งที่เนื่องเป็นอันเดียวกันอันจะพึงกล่าวได้ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุก์สิ่งใดเป็นทุก์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาหรือจะกล่าวกลับกันว่าสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุก ดังนี้ก็ได้เพราะก็อยู่ในลนักษณะที่เนื่องกันฉะนั้นในตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสสอบถามนี้จึงเป็นอันได้ตรัสสอบถามในหลักไตรลักษณ์เป็นอันได้ทรงแสดงหลักไตรลักษณ์ในพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกด้วยเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอบถามและพระปัญจวคีก็ได้กราบทูลตอบแสดงว่าได้มีความรู้ความเห็นถูกต้องแล้วจึงได้ตรัสสรุปความว่า ปัญจขันธ์โดยการคือเป็นอดีตล่วงมาแล้วก็ตามเป็นอนาคตยังไม่มาถึงก็ตามเป็นปัจจุบันก็ตามโดยที่ตั้งเป็นส่วนภายในก็ตามเป็นส่วนภายนอกก็ตามโดยวัตถุเป็นของหยาบก็ตามเป็นของละเอียดก็ตามโดยคุณภาพเป็นของเลวก็ตามเป็นของประเนีชก็ตามโดยระยะไกลเช่นว่าล่วงมาแล้วหรือว่ายังไม่มาถึงก็ตาม หรือว่าอยู่ใกล้เช่นว่าเป็นปัจจุบันก็ตามทั้งหมดก็สักแต่ว่าเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณควรที่จะเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นแล้วว่านี่ไม่ใช่ของเราเราเป็นนี่นี่ไม่ใช่อัตาตาตัวตนของเราเมื่อตรัสสรุปดังนี้แล้วก็ได้ตรัสผลที่สืบเนื่องจากความรู้ความเห็นชอบดังกล่าวมานั้นว่า อริยส า, าวกผู้สดับแล้วอย่างนี้คือว่ามีปัญญาชอบตามที่เป็นแล้วอย่างนี้ย่อมมีความหมายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อนายก็ย่อมสิ้นกำหนดคือว่าสิ้นราคะเมื่อสิ้นราคะก็ย่อมวิมุตติหลุดพ้นเมื่อวิมุตติหลุดพ้นก็ย่อมมีญาณคือความรู้ว่าพ้นแล้วเป็นอันว่าในทรงแสดงธรรมะในส่วนโลกุตรธรรม ได้ธรรมะคือสัมมปัญญาความรู้ชอบนิพิทาความหมายวิราคะความสิ้นราคะวิมุตติความหลุดพน้นวิมุตติญาณทัศนนะ์ความรู้เห็นว่าหลุดพน้นธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะที่เป็นหลักทั้งนั้นต้องมีสัมมปัญญาคือมีความรู้ชอบตามที่เป็นแล้วในปัญจขันก่อนจึงจะเกิดนิพิทาคือความหมายขึ้น เมื่อเกิดนิพิทาคือความหมายจึงจะเกิดวิราคะคือสิ้นราคะสิ้นความติดสิ้นความยินดีสิ้นความกำหนัดเมื่อเกิดวิราคะจึงจะเกิดวิมุตติความหลุดพ้นจากความยึดถือว่าเป็นของเราเป็นตัวตนของเราดังกล่าวมาแล้วเมื่อเกิดวิมุตติจึงจะเกิดวิมุตติญาณทัศน์ความรู้เห็นว่าพ้นแล้วเมื่อถึงตอนนี้จึงจะเป็นผู้เศรษฐกิจ ลำดับธรรมะนี้ควรกำหนดไว้โดยชื่อด้วยและทำความเข้าใจด้วยจึงจะเข้าใจพระพุทธศาสนาได้ถึงปรมัติธรรมทั่วๆไปในหนังสือทั้งปวงหรือในเทศนาทั้งปวงฉะนั้นจะได้กล่าวสรุปในตอนนี้อีกสัก ห, หนึ่งคือเบื้องต้นต้องศึกษาให้รู้จักปัญจขันธ์ว่ามีลักษณะนหน้าตาเป็นอย่างไรต่อไปก็ศึกษาให้รู้จักปลลักษณะที่เป็นปในปัญจขันธ์นั้นคือ อนิจจะทุกขะอนัตตาเมื่อเกิดสำมบปัญญาคือความรู้ชอบตามที่เป็นแล้วในปัญจขันธ์คือปัญจขันธ์เป็นอย่างไรก็ให้รู้อย่างนั้นไม่ใช่รู้ตามสัญญาหรือว่าแกล้งรู้รู้ไปตามที่เป็นไปแล้วอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้จึงจะเกิดนิพพิธาวิราคะวิมุตติและวิมุตติญาทณทัศนะดันกล่าวโดยลาดับอันนี้เป็นหลักธรรมะ เมื่อมีความเข้าใจตลอดสายอย่างนี้ก็จะเข้าใจพระพุทธศาสนาในส่วนประมต ธ, ธรรมทั่วๆไปด้วยในท้ายพระสูตรแสดงว่าเมื่อพระปัญจาวาคีได้สดับพระสูตรนี้แล้วก็มีจิตปิติโสมนัสจิตของท่านทั้งห้าก็พ้นจากอสวะคือกิเลสที่ดองนอนจมหมักหมมอยู่ในสันดานจึงได้บังเกิดเป็นพระอรหันต์ขึ้นหกรูปในโลกพระพุทธเจ้า เป็นพระอรหันทรูปแรกท่านพระปัญจวคีที่ฟังอนัตตลกนัสูตรจนจิตพ้นจากอาสวะกิเลสสําเร็จเป็นพระอรหันต์อีกห้ารูปก็รวมเป็นหกรูปด้วยกันพระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรัตนะรัตนะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมได้ชื่อว่าพระธรรมรัตนะรัตนะคือพระธรรมพระปัญจวคีซึ่งสําเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานั้น ได้ชื่อว่าเป็นสังฆารัตนะรัตนะคือพระสงฆ์รัตนะทั้งสจึงเกิดขึ้นบริบูรณ์ในวันนั้นท่านแสดงว่าวันนั้นเป็นวันแรมห้าค่ําแห่งเดือนสวาสนะซึ่งตรงกับวันแรมห้าค่ําเดือน8ตามที่นับในประเทศไทยฉะนั้นในวันแรมห้าค่ําเดือน8จึงเป็นวันที่รัตนะทั้งสเกิดขึ้นบริบูรณ์ในโลก ส่วนวันเพ็ญเดือนอัสละหะซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฐ ม, มเทศนานั้นพระโกนธั ญ, ญะรูปเดียวได้เกิดดวงตาเห็นธรรมซึ่งท่านได้กล่าวไว้ว่าได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันยังไม่สําเร็จเป็นพระอาหารหันและก็ได้ขอบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาเพียงรูปเดียวก็ชื่อว่าเป็นวันที่เริ่มจะมีพระสังฆรัตนะในชั้นแรกเท่านั้นยังไม่บริบูรณ์ แต่ก็ชื่อว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเทศนาครั้งแรกเป็นวันที่ได้เริ่มตั้งพุทธจักรขึ้นในโลกต่อมาเมื่อถึงวันแรมห้าค่ําเดือน8จึงเป็นวันที่รัตนะทั้งสเกิดขึ้นบริบูรณ์ในโลกโปรดติดตามรับฟัง4 5พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ใหม่ในโอกาสต่อไป